ดีครับยุดจบจแล้วนี่เริ่มอ่านแล้วฮัลโหลอันนี้กูก็ไม่รู้กูจะทาไงดีเนี่ยวันวาแม่งก็เอาแต่นั่งฟังคนอื่นเาบ่นเขี่ยล่่อะไรมาอย่าปนั่งฟังอะไสัตว์บ่นอยู่หน้าองคบให้มึงฟังพอแล้วะเยเชากูกจะนมอเหม่งบอพอเหรอเพเกีย่แล้วกดแม่งกดด้วยลวกันชิบไม่อะไรน่วะ เดี๋ยวจะูเนี่ยละเออูดดิแล้ววันนี้มึงก็ทำแล้วมังต่นไอ้เี่ยฉไอ้เยียชิพไอ้อองี้เนี่ยนะเป็นไรวะใช่ปะีเ้งดูดิโธ่ไม่เสร็้านไม่ไม่ปล่อยกิ่หมาอะไรก่อนนั่งไงวะกิ่งหมาเต็มบ้านกหมาโค้ชเยอะเด้อไม่เหยียบชแมวไอ้ชีหมาไอ้เยี่ยนะมึงไม่บอกกู่จะเหยียบกูต่ะ มึงคิดดูสิเจ้าสนักของปัญญาอ่อนลเหมือนบนทนี่แตกปัญญาอ่อนแบบเออชเเออกันดูได้ไงวะเนี่ยบ้านมีเดหมาเงี้ยเออเเรื่องคุยบาดิมึงคุยเรื่องที่หมามึงไเบื่อบ้างเหรอวันวัน่ะมึงอเฮ้มึงกอวงไหนก็มึงบอกเขาไปไรเขาอยากรู้ทุกคน ก็เป็นบางส่วนเว้ยโอเคป่ะแลมรออ่ะพเราได้เล่นมันกิ่งงานเนี่ยใเราเล่นนะก็คงไม่พนพวกเลเซอรปินอะไรพวกเนี้ยแล้วอะไรอีกนะเล่นมาแล้วกอที่เราชอบกอลกันน่ะเราเปพโตเออไม่ใ่พีี่คนทำงานกดมคยฟังเพลงกินเดย์ดีๆนะนั่นแะ้กินเดย์อ่ะกคนไม่รู้มาบอกให้ฟังอีกรอบเนี่ยอล็ปเปารตีว่ะข้างเปาตีอ่ะอมันมัหล เลีา่ยยินเคยได้ยินโกาีดึงดึงดึงดึงดึงดึงแซ่ไอ้มึไปกินเอกัน่อวะสักูไม่ขายอ้เียเดมึง่า่กูเล่นกีตาร์มันเก่งมึงไอชิอเซ็ยังเนี่ยเฮ้ยอาเซ็ตยังมานาแล้วนะว่าไงเฮีย The d l i r e เฮาตตดตดตดตดเวันนี้กูฟงคิดว่ามึงเป็นฮอกกูกาดาเข้าหกวยอารมณ์เสียแตงโก้ไปจะหล่อวงกไอบอยเดนนั้กูไปเล่นเอวีแล้วกูออกเท่บอกยิ่งแตอนผอบากูด่าไปเลยมีเดวะกูด่าไปเลยว่าีเดมอะไรมึงเนี่ยฝากกูต้องดังใช่ไหมกูต้องเล่นหนังใช่ไหมไอ้ัากมึงคิดว่ามึงเล่นกีตาร์เก่งของเพจเหรอเย้ยยยเล่นมดน อที่เราโรงเรียนนี้โคตรดีอ่ะแต่นันเกเรียนวิปริตเร็วชามต่ำจ้อาอย่างพวกเราบอกว่าชิมสัชิวมันแลมหน่อยเด้อ